สิกขาบทที่สภิกษุนีผู้ได้รับนิมนต์แล้วบอกห้ามพระตาหารแล้วฉันของเคี้ยวหรือของฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืน